อยู่ในสมานสังวาสสีมาที่ชื่อว่าถูกลงอุเคปเนิยกรรมคือถูกลงอุเคปเนิยกรรมเพราะไม่เห็นเพราะไม่ทําคืนหรือเพราะไม่สละคืนอาบัติคําว่าโดยธรรมโดยวินัยคือโดยธรรมใดโดยวินัยใดคําว่าโดยสตุศาสต ร, ร์คือโดยคําสั่งสอนของพระชินเจ้าโดยคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ที่ชื่อว่าผู้ไม่เอือเฟือคือไม่ยอมรับสงฆณะบุคคลหรือกรรมที่ชื่อว่าสงอยังไม่รับรองคือถูกสงขับไล่แล้วยังไม่เรียกกลับเข้าหมู่ที่ชื่อว่ายังไม่ได้ทำภิกษุผู้มีสังวาสเสมอกันให้เป็นสหายคือภิกษุทั้งหลายผู้มีสังวาสเสมอกันพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าผู้เป็นสหาย ภิกษุผู้ถูกสงลงโอเคปณียกรรมไม่มีสังวาสนั้นกับภิกษุเหล่านั้นด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่ายังไม่ได้ทําภิกษุผู้มีสังวาสเสมอกันให้เป็นสหายคําว่าประพฤติตามภิกษุนั้นความว่าภิกษุนั้นมีความเห็นเช่นใดมีความชอบใจเช่นใดมีความพอใจเช่นใดแม้ภิกษุณีนั้นก็เป็นผู้มีความเห็นเช่นนั้นมีความชอบใจเช่นนั้น มีความพอใจเช่นนั้นคําว่าภิกษุณีนั้นได้แก่ภิกษุณีผู้ประพฤติตามภิกษุผู้ถูกสง์ลงโอเคปณียกรรมคําว่าอันภิกษุณีทั้งหลายได้แก่ภิกษุณีเหล่าอื่นภิกษุณีทั้งหลายที่ได้เห็นได้ยินพึงว่ากล่าวตักเตือนเธอว่าแม่เจ้าภิกษุนั้นถูกสง์พร้อมเพียงกันลงโอเคปณียกรรมโดยธรรมโดยวินยัยโดยสัตว์ศาสตร์